วิปัสนาเป็นงานที่มีที่สิ้นสุดส่วนสมถะเป็นงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดวงเล็บเปิด12มกราคม2551ในวงเล็บสองวงเล็บปิดการทรงดวงแก้วเอาไว้ก็ถูกแบบสมถะใจเราก็จะมีความสุขความสงบไปนะถ้าใจเราแนบอยู่กับดวงกสินนานๆก็จะเกิดปฐมฌานขึ้นมีปิติมีความสุขจิตเป็นหนึ่งโดยที่ไม่ได้ประคองรักษาไว้ เวลาเราตายไปเราก็ได้เป็นพระพรหมนะเผื่อวันดีคืนดีเขาก็นิมนต์มาอยู่หน้าโรงแรมเราต้องพยายามเดินวิปัสสนาให้ได้นะไปทรงดวงแก้วเอาไว้ไม่ได้วิปัสสนาหรอกวิปัสสนาเนี่ยต้องรู้กายต้องรู้ใจเคยอ่านสติปัฏฐานบ้างไหมให้ดูใจที่เปลี่ยนแปลงไปตรงที่ใจทรงอยู่กับดวงแก้วนะใจสงบก็รู้ทันตอนที่ใจถอยออกมาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยอย่าไปทรงนิ่งเฉยอยู่นะเสียเวลา หลวงพ่อก็ไปอยู่กับสมาธิตั้งยี่สิบเอ็ดยปีสมถะข่มกิเลสได้แต่ไม่ตัดกิเลสเพราะสมถะมีหน้าที่ข่มกิเลสไม่ตัดกิเลสถ้าจะขุดรากถอนโคนกิเลสต้องทําวิปัสนาวิปัสนาคือการมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเห็นความจริงทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งซึ่งเราอาศัยอยู่ในโลกเท่านั้นเอง พอเห็นอย่างนี้ก็คลายความยึดถือออกไปแล้วก็ไม่ทุกข์เพราะกายไม่ทุกข์เพราะใจอีกต่อไปฉะนั้นวิปัสสนาเป็นงานที่มีที่สิ้นสุดนะสมถธิเป็นงานที่ไม่มีสิ้นสุดเพราะเราทรงชานเอาไว้นานไปชานก็เสื่อมอีกเสื่อมแล้วเราก็ต้องมาทําใหม่นะดีขึ้นมาพักหนึ่งแล้วก็เสื่อมลงไปอีกทั้งชีวิตเราก็จะวนเวียนอยู่กับความเจริญและความเสื่อมไม่พ้นหรอก